เช่นพระอาหารหันต์บางองค์ท่านชอบพูดว่าคนถอยพระอาหารหันต์บางองค์ท่านเห็นน้าแล้วท่านกระโดดเพราะมีอุปนิสัยลิงติดมาแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีกิริยาอาการเหล่านั้นนั้นที่หน้าตำหนิแม้แต่แห่งเดียวก็พยามามาเนี่ยนะติดตามพระพุทธเจ้าคอยตำหนินะหาเรื่องให้ได้อะมีตรงไหนที่จะหาเรื่องได้ก็จะหาติดตามมานานก็หาข้อตาหนิไม่ได้ มานบบางคนเนี่ยติดตามพระพุทธเจ้าหลายเดือนก็ไม่เห็นข้อบกพร่องแม้แต่นิดเดียวเหมือนอีกอย่างหนึ่งท่านผู้มีความเบิกบานโดยความเป็นผู้เบิกบานด้วยปัญญาฉะนั้นพระองค์จึงชื่อว่าพุทธะหรือพุทโอะคือพุทธะเนี่ยเป็นคำไทยๆนะพุทโธเป็นภาษาบาลีคือพุทธะในบาลีเนี่ยเราไม่ต้องไปกดหาหรอกไม่มี เพราะบาลีมีแต่พุทโธพุทธาพุทเทพุทังพุทเธนะพุทเทหิเป็นเป็นศัพท์ไวยากรณ์ของเขาซึ่งแจกวิพัตไปแล้วบาลีจะมีแต่คําว่าพุทโธถ้าเป็นปัตถมาวิพัตเป็นพระเอกพจน์นะจะมีแต่คําว่าพุทโธแต่ถ้าหากว่าไทยๆเราจะใช้คําว่าพุทธะอย่างสมมติถ้พระเนี่ยถ้าพระนั้นโดยที่สวดเนี่ยถ้าเป็นบาลีอย่างเช่นของธรรมาชายาว่านันทิกะหรือนะเรียกแบบไทยๆก็คือนันทิกะพิขุ แต่ถ้าเรียกแบบบาลีเรียกนันทิโกเรียกแบบบาลีนะแต่ถ้าไปไปเข้ากับไวยากรณ์เวลาสวดก็เช่นนันทิกัตสระอย่างเงี้ยก็คือเป็นเรื่องของไวยากรณ์เป็นเรื่องของภาษาไหนนะนันทิกัตแปลว่าอะไรครับก็ผู้มีความเพลิดเพลินลนะนะมัน oh. พองๆกับตันหาอยู่เหมือนกันต่อไปบอกว่าท่านผู้ตรัสรู้สัจจะทั้งสี่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพุทธ ตรัสรู้อริยาศาสตร์ทั้งสี่นั่นเองต่อไปบอกว่าผู้ให้ผู้อื่นรู้ผู้ยังหมู่สัตว์ให้รู้พร้อมฉะนั้นจึงชื่อว่าพุทธสมจริงดังท่านที่สมจริงดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าพุทธโธเพราะทรงตรัสรู้สัจจะทั้งหลายคือแต่รู้ไม่รู้เหมือนคนอื่นนะรู้แบบไม่มีครูไม่มีอาจารย์ไม่มีใครแนะนําเลยคนคิดขึ้นด้วยปัญญาตัวเอง รู้เองแต่รู้แบบคนสั่งสมบูรณ์มาแล้วไม่ใช่ของเราอยากเป็นพระพุทธเจ้ามั่งก็เลยไปหาคนคิดทฤษฎีขึ้นมาใหม่ๆคิดแนคดคดาา่คิดไปคิดมาอาจจะเรียกคนบ้าก็ได้ <laughs> เพราะไม่ได้สั่งสมบูรณ์มาคนที่คิดเองรู้เองก็คือท่านสั่งสมบูรณ์มาแล้วมากมายมหาสารจึงรู้เองอันนถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลายนะจะมีพระพุทธเจ้าองค์ที่สองตรัสรู้ต่อเมื่อหมดาศาสนานี้ไปแล้ว ในยุคพุทธกาลเนี่ยนะตั้งแต่พระพุทธเจ้าจนถึงหมดศาสนาอย่างเดียวผู้ที่จะบรรลุได้ก็คือฟังอย่างเดียวไอ้คำว่าฟังก็คือเกิดจากการเรียนเกิดจากการอ่านเกิดจากการไข้ควรตามที่ฟังมาเท่านั้นเพราะในช่วงนี้จะไม่มีพระประเจกมาตรัสรู้แน่นอนจะไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แน่นอนเพรา ะ, ะนั้นถ้าหากว่าไม่ศึกษาให้ดีเนี่ยบางทีจะเป็นอริยปวาทะ จะเป็นการด่าพระผู้มีพระภาคโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนกันต่อไปนะทรงพระนามว่าพู้โทรพระอาฏว่าทรงปลุกหมูสัตว์ให้ตื่นพระองค์เนี่ยปลุกสัตว์ให้ตื่นให้ตื่นจากความหลับอย่างเช่นในพระสูตรสูตรหนึ่งที่พระองค์ตรัสว่าวิธีการปลุกของพระองค์นะก็ปลุกด้วยพระธรรมนั่นเองปลุกว่า เมื่อโลกสันนิวาตอันไฟลุกโพลงอยู่เป็นนิดพวกเธอยังจะร่าเริงบันเทิงอะไรกันหนอเธอทั้งหลายอันความมืดปกคลุมแล้วทำไมจึงไม่สแสวงหาประทีพเล่านะนี่พรง์ก็ปลุกปลุกให้เราตื่นว่าโลกคือหมศเนี่ยถูกไฟไหม้แล้วไฟอะไรไหมราคะหนึ่งโทสะโมหะ ไฟคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าโศกความร้องไห้ความพิรัยรำพันความทุกข์ทางกายความทุกข์ทางใจความรับแค้นใจเนี่ยมันแผบเผาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเธออ่านะจับบันเทิงอะไรอยู่ขณะที่ถูกไฟไหม้แบบนี้อันความมืดก็ปกคลุมแล้วความมืดคืออะไรอวิชชาเนี่ยปกคลุมมืดบอด อวิชชาเนี่ยไม่รู้อะไรทุกเคอะยานังไม่รู้ในทุกขาริยสัจทุกขสมุทะเยอะยานังไม่รู้ในทุกขสมุทยอาริยสัจทุกขนิโรเทอะยานังไม่รู้ในทุกขนิโรธคือพระนิพพานและก็ทุกขะทุกขนิโรทคามินีปฏิปทาอะยานังความไม่รู้ในอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8 ที่จะทำให้สั์ถึงความดับทุกข์ไม่รู้ในขันธาตุอายตนะที่เป็นอดีตไม่รู้ขันธาตุอายตนะที่เป็นอนาคตไม่รู้ขัน์ธาตุอายตนะทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทวิญญาณมีเพราะอะไรเป็นปจัจจัยวิญญาณมีเพราะสังขารเป็นปจัจจัย นามรูปมีอะไรเป็นปจัจจัยนามรูปมีวิญญาณเป็นปจัจจัยนะสลายตระนัมีอะไรเป็นปจัจจัยมีนามรูปเป็นปจัจจัยภาษามีอะไรเป็นปจัจจัยสลายตนะนเป็นปัจจัยเวทนามีอะไรเป็นปจัจจัยมีภาษะเป็นปัจจัยตัณหามีอะไรเป็นปัจจัยเวทนาเป็นปัจจัย อุปาทานมีอะไรเป็นปัจจัยตัณหาเป็นปัจจัยภพมีอะไรเป็นปัจจัยมีอุปาทานเป็นปัจจัยนะชาติมีอะไรเป็นปัจจัยมีภพเป็นปัจจัยชรามรณะมีอะไรเป็นปัจจัยมีชาติเป็นปัจจัยปัชรามรณะมีชาติเป็นปัจจัยชาติมีภพเป็นปัจจัยภพมีอุปาทานเป็นปัจจัย โอปาทานมีตันหาเป็นปัจจัยตันหามีเวทนาเป็นปัจจัยเวทนามีพัสสะเป็นปัจจัยพัสสะมีสลายตนะเป็นปัจจัยตานี่ยแหละทำให้เกิดพัสสะสลายตนะมีนามรูปเป็นปัจจัยนามรูปมีวิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณมีสังขารเป็นปัจจัยสังขารเหล่านี้มีอวิชชาเป็นปัจจัยที่เราทั้งหลายไม่รู้ความจริงอันนี้เพราะอวิชชานะไร อันความมืดเนี่ยปกคลุมอยู่ตลอดเลยพอเอาความความรู้แปดอย่างมาจับปุ๊บเราจะเห็นว่าเรามืดจริงๆยอมมองเห็นยอมผู้การทงใช้ยไหมเห็นนะเห็นอริยสัจไหมนั่นแหละมืดอ่ะมืดจริงๆเลยนะนั่นแหละแล้วพระองค์กล่าวว่าทําไมไม่สแสวงหาปฏิบัติล่าปฏิบัตคืออะไร ปฏิบคือปัญญาก็คืออริยมรรคมีองค์8ปดคาถาสี่ห้าบรรทัศน์นี่ประกาศอริยสัจเลยโลกสานิวาสเป็นชื่อของขันห้าทุกขสัจไฟลุกโพร่งเป็นชื่อของสมุทยัยสัจอ่นะทั้งความร่าเริงบันเทิงก็เป็นสมุทยัยสัจอวิชาก็อยู่ในฝักไฟแห่งสมุทยัยสัจปทีบคือปัญญาได้แก่มกรรคั อันในคาถานี้ประกาศอริยสัจเบ็เสร็จเรียบร้อยนั่นแหละสมัยนั้นเนี่ยที่จริงก่อนที่พระองค์จะตรัสคาถานี้มีเรื่องเล่าอยู่ว่าอันในในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพวกผู้หญิงกลุ่มหนึ่งประมาณห้าร้อยท่านอู้ชอบดื่มเหล้าทีนี้พอดื่มเหล้าบ่อยๆเข้าสามีก็ทุบบ้างตีบง้งอะไรบ้างก็ไม่เข็ดอะ่ะไม่เข็ดก็เอาไปฝากนางวิสาขาแบบไปธุระที่ไหนก็เอาไปอยู่กับไปคุยกับนางวิสาขาเผื่อจะมีศีลมีทํากับเขาบ้าง ทีขนาดนั้นก็ยังแอบไปกินเหล้าวันหนึ่งก็ชวนไปที่วัดพวกจริ๋งเหล่านี้ก็ไปชวนนางวิสาข า, าไปวัดกันดีกว่าเที่ยวสวนพวกนี้ก็แอบพกเหล้ากันไปกินพรน้ำอยู่ในวัดนะนาหลังกลับมาอีกไปชวนนางวิสาขาใหม่วันหลังนางอนางวิสาขาก็ไม่ไปวันหนึ่งเขาก็มีงานเลี้ยงสามกีก็กินเมากันหลับไปนางก็กินบ้างตื่นมาสามีก็แตะตีต่ออีกไม่เข็ด เอาอย่างไงนะกวันหนึ่งก็นางก็ไปชวนานางวิสาขาบอกชั้นเลิกกินเหล้าแล้วยังไงก็ไม่กินแน่นี่ยก็ชวนกันไปวัดไปก็แอบกินเหล้าอีกแอบกินเหล้าแต่ก็ต้องเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพอเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้านั้นวิปลาสเกิดขึ้นร้องฟ้อนรํำขับร้องหน้าพระพุทธเจ้านั่นแ่ะคนรํำบ้างไอ้คนร้งนรองบ้งคนโอ้เอาใหญ่เลยเหมือนกันพระพุทธเจ้านี่โอ้โหสังเวชใจอะไรกันเนี่ยพระองค์ก็เลยเข้านีรกสินทําให้มันมืดหมดเลย ผมเมื่อมิรขนาดนั้นเนี่ยสั่งเมาเป็นปลิดทิ้งเลยนะแล้วพงษ์ก็แปลงรัศมีออกมาแล้วพงค์ก็กล่าวคาถานี้จบนางก็บรรุเป็นพระโสดาบันกันหมดเงิ น, นขนาดทำบุญมาขนาดนี้เนะจะเป็นอริยะอยู่แล้วเนี่ยก็ยังเมาอยู่อีกคิดดูอะสั่งสมมาเนี่ยเหมือนเจ้าสักยะโยงหนึ่งก็เหมือนกันเมาไปหาพระพุทธเจ้านะเป็นพระโสดาบันมือนกัน ก็บอกว่าถ้าเจ้าองค์นี้เป็นพระโสดาบันใครบ้างในโลกนี้ไม่เป็นพระโสดาบันก็มง <c oughs> ก็เมาอยู่ตลอดแต่ตอนหลังก็บรรลุทำได้แต่ก็อย่างว่านะในคัมภีร์มีองค์เดียวอ่ะไม่ต้องเรียนแบบเลย <c oughs> <c oughs> และอีกอย่างหนึ่งนะในสูตรที่พระองค์เนี่ยเป็นผู้ทรงปลุกหมูสัตรจริงๆเลยอย่างเช่นใน สารสูตรข้อความในคำพีคุธกะนิกายสุตตนิบาตสารสูตรข้อ380อพระองค์ตรัสว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีเครื่องหมายใครๆรรู้ไม่ได้ทั้งลำบากทั้งน้อยและประกอบด้วยทุกข์ ชีวิตของสนีิษฐานเพระองค์ปลุกเรานะให้ตื่นนะมันน้อยจริงๆนะชีวิตอะไ ม, ม, ม, ไ ม, ม, ม่มีเครื่องหมายไม่มีนิมิตมีเครื่องหมายไหมว่าเราจะอยู่อีกนานเท่าไหร่ผวังขจิตอยู่ด้วยอะไรผวังขจิตมีกรรมเป็นปัจจัยและยมรู้ไหมว่าไอ้กรรมที่ทํามาในอดีตนี่จะให้เรามีชีวิตอยู่อีกเท่าไหร่ไม่รู้แล้วไอ้รูปร่างกายนี่อยู่ด้วยอาหารแล้วอาหารจะเป็นพิษเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็เป็นพิษทั้งนั้นแหละ ขนาดพวกนมพวกอะไรยังเป็นพิษเลยอ่ะัน้นแม้แต่ร่างกายเองก็ยังมีพิษภยัยดังมากมายระวังขจิตอยู่ด้วยกรรมเมื่ออยู่ด้วยกรรมหาอะไรแน่นอนสักอย่างมีนิมิตไหมไม่มีนิมิตรหรอกนั้นมันก็เหมือนกับใบไม้เหลืองนั่นแหละมันก็ถลมมาปั๊บหล่นทันทีชีวิตของเราที่มีอยู่เป็นอยู่อย่างนี้เป็นเรื่องที่น่าอาัศจรรย์มากถ้าหากว่าเราเรียนปัจจัยเข้าใจนะ โอ้โชีวิตมันอยู่ได้ยังไงมันทําไมไม่ตายสักทีทั้งๆปัจจัยมันเยอะแยะมากมายมหาศาลเลยเหมือนกับเรารู้จักระบบเครื่องยนต์นะมันน่าเสียมากถ้าคิดไปเส้นสายเล็ก ๆ, ๆ, ๆน้อยๆฮู้โยงระยองอะระยางกันไปหมดเหมือนกับเครื่องเสียงเหมือนกันในนั้นเนี่ยแผงเครื่องเสียงเนี่ยนะอุ้ยลากไปแต่ถ้ามันเกิดพลาดกันนิดเดียวช็อตหมดชีวิตของเราก็เหมือนกันทั้งรูปทั้งน้ำทั้งอย่างสรีระร่างกายเนี่ยโอ้ยเส้นสายเลือด อะไรมันระยงระเยงระยายไปหมดเลยมาไปอ่านแล้วเวียนหัวเลยยุ่งจริงๆสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดมาแล้วจะไม่ตายด้วยความเพียรพยายามอันใดความพยายามนั้นไม่มีเลยทำยังไงที่จะไม่ตายบ้างมีไหมไม่ได้แม้อยู่ได้ถึงชาราก็ต้องตายเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายมีอย่างนี้เป็นธรรมดายังไงตายเนี่ย นะเราลืมตายก็ช่างเถอะแต่ตายไม่ลืมเรานะคุณตายแน่นอนอะ่ะเชื่ อ, เ, อเพราะว่าความตายเนี่ยก็เหมือนกับผลไม้สุกงอมแล้วเชื่อว่าย่อมมีภัยเพราะจะต้องร่วงหล่นไปเป็นธรรมดาในเวลาเช้าชั้นใดสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดแล้วเชื่อว่าย่อมมีภัยเพราะจะต้องตายเป็นนิดชั้นนั้น เช้ามาก็หล่นเกลื่อนกลาดไปหมดภาชนะดินที่นายช่างทำแล้วทุกชนิดมีความแตกเป็นที่สุดแม้ชันใดชีวิตของศาสตร์ทั้งหลายก็ชันนั้นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนเขาทั้งคนฉลาดล้วนไปสู่อำนาจมริตยูมีมริตยูเป็นที่ไปในเบื้องหน้าด้วยกันทั้งหมด เมื่อสัตว์เหล่านั้นถูกมรตยูครอบงามแล้วจะต้องไปปาโลกูกจะต้องไปอีกนะบิดาจะป้องกันบุตรไว้ก็ไม่ได้ใช่มเราจะมีพ่อเป็นพระราชา ม, มหากษัตัตย์ห้ามไม่ให้ลูกตายก็ททำไม่ได้หรอกหรือพวกญาติจะป้องกันพวกญาติเอาไว้ก็ไม่ได้ถึงเราจะมีญาติเราเป็นใครก็ช่างเถอะถึงจะมีญาติเป็นหมอก็ไม่พ้นจากความตายก็หมออย่างตายเลยอะ เพรา ะ, ะนั้นท่านจงเห็นเหมือนเมื่อหมู่ญาติของสัตว์ทั้งหลายผู้จะต้องตายกำลังแลดูรำพันอยู่โดยประการต่างๆสัตว์ผู้จะต้องตายผู้เดียวเท่านั้นถูกมรรตยูนาไปเหมือนโคที่บุคคลจะพึงฆ่าถูกนำไปตัวเดียวเะนั้นก็ขนาดว่าญาติเนี่ยใช่ล้อมรอบเตียงนอน น, นะเตียงนอนของคนจะตายเนี่ย ญาติล้อมญาติก็ไม่รู้จะทํำยังไงอะนะทําตาปริบๆๆอย่างอย่างดีที่สุดก็ร้องให้มีสติขึ้นมาหน่อยแม่อรหังนะแม่อรหังนะแค่นั้นเองที่ก็หาบบนบานสารกล่าวบ้างอย่างโงูอย่างงี้แต่ก็ไม่มีใครรอดมาทั้งคนเลยอะ่ะคนเชียงใหม่เนี่ยตายกว่าตายเยอะกว่าอยู่นะนั่นแหละที่ตายไปแล้วเนี่ยเยอะมากจริงๆเลยเยอะกว่าอยู่มากอยู่นี่ไม่เท่าไหร่เองพราะปูห้องปูห้อง ป, หองปูห้องปูก็หมดไปแล้วอะ ไอ้ปูห้องปูห้องปูหองปูมีกี่ชั้นน่ะใช่กว่าจะมาถึงชั้นเราอ่ะท่านเหล่านั้นไม่เหลือแม้แต่รูปภาพให้เราดูเลยความตายและความแก่จำกัดศัตร์โลกอยู่อย่างนี้เพราะเหตุนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายทราบชัดสภาพของโลกแล้วย่อมไม่เศร้าโศกท่านย่อมไม่รู้ทางมาไอ้ไม่รู้ทางของผู้มาหรือไปไม่เห็นที่สุดทั้งสองอย่าง ถึงจะคร่ำครวญไปก็ไร้ประโยชน์ศาต ร, ร์เนี่มาเกิดเนี่ยมาจากไหนรู้ไหมก็ไม่รู้ตายแล้วจะไปไหนก็ไม่รู้อันถ้าตายแล้วถ้าเราจะเศร้าโศกถึงคนตายก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยถ้าผู้คร่ำครวญหลงเบียดเบียนตนอยู่จกยังประโยชน์อะไรอะไรให้เกิดขึ้นได้ไซผู้เห็นแจ้งก็พึงกระทําความคร่ำครวญ น, นั้นใช่ไหม ถ้าหากว่าร้องไห้แล้วจะมีใครเฟื้อนสักคนสองคนนะมันคงมีประเพณีจัดร้องไห้เพื่อเรียกวิญญาณคืนนะวิญญาณจะได้ไม่จุตติเป็นไปไม่ได้บุคคลจะถึงความสงบใจได้เพราะการร้องไห้เพราะความเศร้าโศกก็หาไม่ทุกย่อมเกิดแก่ผู้นั้นยิ่งขึ้นและสรีระของผู้นั้นก็จะสูบซีดบุคคลผู้เบียดเบียนตนเองย่อมเป็นผู้สู้พร้อมมีผิวพรรณเศ้าหมอง สัตว์ทั้งหลายผู้ละไปแล้วย่อมรักษาตนไม่ได้ด้วยความรำพันนั้นการรำพันไร้ประโยชน์คนผู้ทอดถอนถึงบุคคลผู้ทากาละแล้วยังละความเศร้าโศกไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจแห่งความเศร้าโศกย่อมถึงทุกข์ยิ่งขึ้นท่านจงเห็นคนแม้เหล่าอื่นผู้เตรียมจะดาเนินไปตามยถากรรมและสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ พูดถึงอำนาจแห่งมัจจุแล้วกำลังพากันดิ้นรนอยู่ทีเดียวก็ศาตว์ทั้งหลายย่อมสำคัญด้วยอาการใดๆอาการนั้นๆย่อมแปลไปเป็นอย่างอื่นในภายหลังความพลัดพลากกันเช่นนี้ย่อมมีได้ท่านจงดูสภาพแห่งโลกเถิดมานพบแม้จะพึงเป็นอยู่ร้อยปีหรือยิ่งกว่านั้นก็จะต้องพลัดพลากจากมูญาตมานพก็คือคนหนุ่มน ะ, ะคนหนุ่มถึงจะอยู่เป็น ยังไงก็ร้อยกว่าปีนิดๆก็จะต้องพัาดภาคและต้องละทิ้งชีวิตไว้ในโลกนี้เพราะเหตุนั้นบุคคลฟังธรรมเทศนาของพระอรหันต์แล้วเห็นคนผู้ล่วงลับทำกาละแล้วย่อมกําหนดรู้อยู่ว่าบุคคลผู้ล่วงลับทำกาละแล้วนั้นเราไม่พึงได้ว่าจงเป็นอยู่อีกเถิดดังนี้คนที่ตายไปแล้วเนี่ยจะไปขอว่าขอให้มีชีวิตอยู่ต่อไปอีกหน่อยได้ไหมไม่ได้ พึงกำจัดความรำพันเสียบุคคลพึงดับไฟที่ไม่ลุกลามไปด้วยน้ำฉันใดนรชนผู้เป็นนักปราดมีปัญญาเฉลียวฉลาดพึงกำจัดความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นเสียโดยฉับพลันเหมือนลมพัดนุ่นฉนันคนผู้สแสวงหาความสุขเพื่อตนพึงกำจัดความรำพันความทยานอยากและความโทมนัสของตน พึงถอนลูกศอนคือกิเลสของตนเสียอ่าตรงนี้เป็นประกาศอริยสัจเลยนะพึงถอนลูกศรของตนเสียที่จริงแล้วข้อความเกี่ยวกับเรื่องตายตายทั้งหมดเป็นทุกขสัจชาติปิทุกขาชาราปิทุกขามาณนามปิทุกขังโศกะปริเทวะทุกโธมณตุปาญาสาปิทุกขาอ ป, าาาปิอเยหิสัมปโยโคทุโขอภิเยหิวิปโยโคทุโขพวกนี้เป็นชื่อของทุกหมดเลยสร้างคิเตนะปัญจุปาทานขันฐาทุกขา โดยย่อคืออุปาทานขัน 5. ท่าเช้นเมื่อคืนก็บอกว่ากระพริบตาก็อุปาทานขันทาใช่ไหมเออตรงนั้นแหละนั่นแหละเป็นทุกขศาสตร์ไอความเพิดเพลินเป็นสมุทัยาศาัตร์พระองค์บอกว่าพึงกำจัดความรำพันความอยากความโทมนัสของตนพึงถอนลูกสอนคือกิเลสของตนเสียนั่นแหละลูกสอนอันนี้จะถอนได้ยังไง นั่นแหละคือตัวตัวถอนก็คือตัวอริยมรรคนั่นแหละแต่อย่าลืมนะต้องไม่ทิ้งปริญญาสามนะคำสอนเหล่านี้ต้องไม่ทิ้งปริญญาสามถ้าทิ้งปริญญาสมปั๊บไม่ใช่ทางแล้วเพราะเราก็คิดเองโอ้ไปที่ไหนก็ไม่รู้ใจลอยไปที่อื่นก็นึกว่าจะถอนได้ถ้าลอยอย่างนั้นถอนได้คงมีคนใจลอยเยอะแยะใจบรรลุไปแล้วแต่เป็นเรื่องของผู้ที่อบรมฝึกในเรื่องของสติสัมปชัญญะในที่เจ็สถาน สติสัมปชัญญะต้องเจสถานนะโดยที่สุดแม้แต่หลับเพราะฉะนั้นเป็นผู้มีลูกศรคือกิเลสอันถอนขึ้นแล้วอันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วตันหาเป็นเรื่องของความเพลิดเพลินทิฏฐิเป็นเรื่องของความเห็นผิดในอารมณ์นั้นๆน่นะนะเรากําลังมีอะไรเป็นอารมณ์ทิฏฐิมันทําให้ไปเห็นผิดในอารมณ์นั้นๆนั่นแหละ ฉันไม่มีความเพลิดเพลินในอารมณ์ไม่มีความเห็นผิดในอารมณ์และก็ไม่อาศัยแล้วถึงความสงบใจแสดงว่ า, าต้องรู้แจ้งในอารมณ์นั้นๆอย่างดีเยี่ยมเลยเพราะว่าโมหะมันปกปิดความจริงของอารมณ์ถ้าปัญญาเห็นแจ้งความจริงของอารมณ์ฉั้นอารมณ์นั้นๆเป็นทุกขสัตย์เพราะเป็นสังกัตธรรมอารมณ์ที่เรารับรู้ทั้งหมดเลยนะ เป็นสังคตาธรรมเกิดด้วยปัจจัยประชุมพร้อมจึงเกิดขึ้นอันถ้าหากว่ามีความเข้าใจในเรื่องอารามณนะปัจจัยจริงๆแล้วก็สามารถที่จะดับทุกข์ก้าวล่วงความโศกได้ทั้งหมดเป็นผู้ไม่มีความเศร้าโศกเยือกเย็นชนนี้แหล่ผู้ที่จะเป็นได้อย่างนี้ก็คือพระอารหันต์อันในข้อความนี้พระ อ, องค์ก็ประกาศอริยสัจผู้ที่ฟังในสมัยนั้นเขาก็บรรลุธรรมของเราเอาเข้าใจก็ใช้ได้แล้ว จะได้ถึงไตรสารนคมถูกไงอ่าอะัอะอ้นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงปลุกให้เราตื่นตลอดเลยนะไม่ใช่โอ้โหเรื่องของความเคลิบเคลิ้มหลงไหลเป็นเรื่องของความสะกดจิตไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่นักสะกดจิตแต่พระองค์สะกดได้ไหมได้มีอยู่ครั้งหนึ่งมีเจ้าคนหนึ่งนี่หัวแข็งมากเลยไม่เชื่ออะไรสักอย่าง พระพุทธเจ้านะเจริญเมตตาแล้วคนเนี่ยโหยตามหาพระพุทธเจ้าเหมือนกับอะไรนะลูกโคที่ยังไม่หย่านมอ่ะตามหาแม่อย่างนั้นแหละพุทธเจ้าทําได้แต่ถ้าถ้าทำแล้วสัจจะบรรลุธรรมองค์จะทำแต่ถ้าทําแล้วไม่บรรลุธรรมก็เหมือนกับพระองค์ปล่อยเรามาจนถึงทุกวันนี้นะ่ะอ่าสัมภเวสีอีกคําหนึ่งก็เป็นชื่อของผู้ที่ยังไม่เป็นพทาสทหารพูดก็เป็นพทาสทหารหมายถึงพทาสทหาร เพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมะทั้งปวงธรรมะอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่รู้ไม่มีทรงเห็นธรรมะทั้งปวงเห็นธรรมะจริงๆธรรมะนะถ้าโดยอารมณ์นี่มีกี่อย่างโดยอารมณ์นี่มีหกอย่างคือรูปเสียงกลิ่นรส ถ, ถ้ารูปนี่เรียกว่าทิถังใช่ไหมถ้าเสียงเรียกว่าสุตังถ้าอารมณ์ทางลิ้นทางจมูกทางกายเรียกว่ามุตตัง ถ้าทางใจเรียกว่าวิญญาตังฉั้นอารมณ์เหล่านี้ที่พระองค์ไม่เคยพิจารณาไม่มีในโลกแม้ในอดีตแม้ในอนาคตที่พระองค์ไม่รู้ไม่มีนั่นแหละไม่ไม่รู้ไม่มีฉั้นความรู้ของพระพุทธเจ้านะถ้าอุปมาแบบมีเด็กชายอยู่คนหนึ่งอายุประมาณเจ็ดขวบไปกับคุณปู่ซึ่งมีอายุแปดสิบขวบปีทีเนาะคุณปู่ก็เรียกปีก็ไม่เรียกขวบแล้ว คุณปู่แปดสิบปีเนี่ยนะคุณปู่ซึ่งมีความรู้มากมายในฐานะอายุแปดสิบเนี่ยจะเล่าให้หลานฟังทุกเรื่องไหมที่ตัวเองมีความรู้แปดสิบปีเนี่ยเอามาเล่าให้เด็กฟังหมดไหมไม่หมดจะเล่าเฉพาะส่วนไหนที่เป็นสาระเกี่ยวข้องกับชีวิตของของเด็กอย่างนั้นแหละอันคุณปู่เนี่ยรู้มาหมดแล้วเห็นหมาเยอะฉันใดพระผู้มีพระภาคก็รู้อย่างนั้นแหละรู้มากมายมหาศาลของเราก็บางทีก็เหมือนกับเด็กๆนั่นแหละจะเล่าบอกหมดก็รับไม่ไหวอกีก นั้นพระองค์เนี่ยทรงเห็นหมดนั่นแหละแต่ถ้าพระองค์เล่าหมดเราก็รับรู้ไม่หมดอถ้าใครบอกหูยพระองค์เล่าอะไรก็จะฟังหมดเลยเดี๋ยวให้พระไตไปิฎกไปอ่านนะจับปับ๊บเผาทันทีเลยนะกอดกอดถ้ามีรูปก็ยังช่วยจะได้พลิกพลิกดูมั่งอันนี้ไม่มีเลยอะ่ะตัวหนังสือติดกันเป็นเพลิดไปหมดต่อไปพระองค์เนี่ยทรงรู้ธรรมะที่ควรรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งเขาเรียกว่าอภินญยยธรรม ธรรมะที่ควรรู้ยิง่งอย่างเช่นธรรมะหนึ่งที่ควรรู้ยิ่งก็คือสัพเพสตาหาติติกะธรรมะเหล่านี้ควรรู้ยิ่งเลยนะธรรมะสองที่ควรรู้ยิ่งก็เช่นนามรูปอย่างเงี้ยเป็นธรรมะที่ควรรู้ยิง่งจริงๆเลยธรรมะสามที่ควรรู้ยิ่งก็เช่นเวทนาสามอย่างเงี้ยมันธรรมะเหล่านี้ควรรู้ยิง่งอีกสูตรหนึ่งพวกบอกว่าจักครูอภินยยัง รูปังอภิญเยยังจากขูวิญญาณังอภินเยยังจากขู่สัมผัสสชาอ่ะจากขู่สัมผัสโสอภินเยยังอภิญเยโยอ่ะแปลว่าอะไรโยมาสูตรเมื่อคืนนั่นแหละจากสู่ควรรู้ยิ่งรูปควรรู้ยิ่งวิญญาณควรรู้ยิ่งภาษาควรรู้ยิ่งเวทนาควรรู้ยิ่งทั้งสามอย่างนั่นแหละถามว่ารู้ยิ่งด้วยอะไรด้วย ปริญญาหรือด้วยปะหานะหรือด้วยสัมมาทิฏฐิก็ได้รู้ยิ่งแบบนั้นแหละรู้ยิ่งความเป็นเหตุเป็นผลเป็นปัจจัยของธรรมะเหล่านั้นทั้งหมดนั่นแหละแล้วต่อไปเนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นผู้ทรงเบิกบานแล้วพระพุทธเจ้านะไม่มีเวลาไหนที่พระองค์ไม่แช่มชื่นไม่มีอดอกบัวที่อยู่ในน้นํานี่มีแต่ความสดชื่นฉันใดสภาพจิตของพระผู้มีพระภาคนะที่ไม่เวลาที่พระองค์้อยไม่สดชื่นเนี่ย ไม่มีพระองค์จะนั่งสเสวยความสุขอย่างเดียวเจ็ดวันเลยเนี่ยไม่พูดไม่คุยก็ทําได้นั่งยิ้มอย่างเดียวเจ็ดวันเนี่ยทําได้มีความสุขขนาดนั้นนะจิตเกิดพระองค์มีความรู้สึกนึกคิดพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนตายคนเป็นมีชีวิตมีจิตวิญญาณแต่จิตวิญญาณของพระองค์จิตวิญญาณแบบพระ้าหั่นน่ะอย่างนี้นะพผ้าหั่นไม่โลภไม่โกรธไม่โง้ นัแหละผ้าอรหันเนี่ยไม่มีมานะไม่มีทิฏฐิไม่มีทุกอย่างเลยที่เรามีอ่ะผ้าอรหันไม่ค่อยมีหรอกไม่มีด้วยซ้าเลยอ่ะมหากิริยาจิตมีอะไรเกิดขึ้นเจตสิกกี่ดวงมหากิริยาจิตนั้นไม่มีแต่วีระตีอย่างเดียวไม่มีวีระตีเจตสิกกับอากุศลเจตสิกเจตสิกที่เหลือผ้าอรหันมีหมดอันเพราะมีชีวิตเหมือนกับสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละถ้าใครไป หยิกท่านท่านก็เจ็บเหมือนกันแต่ท่านไม่โกรธอย่างเช่นภาษาดิบุตรเนี่ยท่านเดินบินทบทัตรก็บอกกิติศักดิ์ของภาษาริบุตรไม่โกรธท่านก็เดินบินธบัตรพามคนหนึ่งก็บอกสงสัยไม่มีใครลองมั้งก็งเลยปาลมไปข้างหลั ง, งปั้นหัวดเข้าไปทุบหนึ่งเข้าไปท่านเซไปนิดหนึ่งแล้วท่านก็เดินต่อไปไม่เหลียวดูด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละแต่พระอรหันต์ท่านจะเป็นอย่างนั้นของเรานี่ยังไม่ทันอะไรเลยนะ โถวางแก้วไม่เป็นที่น่ะก็ชักขัดตาไรต่างเยอะแล้วมันะหางกันเยอะจิตของผ้าหาันหนึ่งทวิปัญจาวิญญาณเนี่ยนะท่านเกิดหมดเลยอันพระ้าหันมีทั้งกุศลวิบากและอ ก, กุศลวิบากนะนะอเหตุกะนะอเฮตุกะท่านมีได้ทั้งหมดสิบแปดดวงเลยผ้าหันมีอเฮตุกะทั้งสิแปดดวง มีมหากิริยาจิตอีกแปดดวงมีมหคตากิริยาอีกเก้าดวงและดวงสุดท้ายคืออรหัตผ ล, ลจิต<ะ>และพระอารหันต์ไม่มีโสดาปฏิมัติขจิตด้วยไม่มีโซดาปฏิผ ล, ลจิตด้วยเพราะท่านเลยไปหมดแล้วมีเฉพาะอารหัตผ ล, ลจิตอย่างเดียวเจตสิกก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะครับเจตสิกที่เป็นอกุศลเจตสิกเช่นอกุศลเจตสิกสิบสีดวงก็ไม่มีวีระตีเจตสิกของท่านจะเกิดเฉพาะในผ ล, ลจิตเท่านั้น ในขณะที่ท่านเข้าพระสมาบัติถ้าธรรมดาเนี่ยท่านไม่ต้องมีวีรตีศีลเลยเพราะท่านเหมือนกับลมอะ่ะเขาบอกว่าลมเนี่ยไม่ติดตาข่ายชั้นใดใจของพระหัน์ไม่ติดตั้งติ่งอย่างนี้แหละและไม่คิดเบียดเบียนคนอื่นด้วยนะและไม่เคยตนีในอริยะคุณด้วยถ้าอริยเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่ไม่มีมัจเฉริยะแม้แต่อย่างเดียวท่านจะมีความมิตรทำยังไงนะสัตว์อื่นจึงจะบรรลุธรรมด้วยทำยังไงสัตว์อื่นจะได้ดื่มอมตะธรรมเหล่านี้ด้วย <Okay. S 2> เวลาสวดมดนตะ์นี่ยพออะหังเนี่ยนะครับขึ้นชื่วอระหังเนี่ยนะก็ะหนะมายความผู้ที่หมดกิเลสนะแล้นึกถึงสภาพคนที่ไม่มีโทสะเลยนะเจ้าพานมีแต่เมตตานะไม่มีโทสะเลยนะมีไม่มี ม, มานะเลยีล้มไม่มีเลยแล้วไม่ติดข้องอะไรเลยอย่างเงี้ยนะเจ้าพานโอ้โหแต่รู้ทั้งหมดเลยนะนั่นแหละสิ่งที่เราเห็นพระอรหันต์ก็เห็น แต่ท่านเห็นเกินเรามากมายมหาสารอยางนี้นะเหมือนกับคนอ่านหนังสือไม่ออกกับคนอ่านหนังสือออกอ่ะก็เห็นอักษรเหมือนกันแต่คนอ่านหนังสือออกเข้าใจความหมายโปร่งหมดเลยคนอ่านหนังสือไม่ออกก็เห็นตัวขยี้ขยียีเหมือนกันนั่นแหละพระอรหันต์ท่านมีปัญญาแบบนั้นอ่ะท่านรู้หมดอ่ะอย่างสมมุติว่ารูปารมณ์เนี่ยเกิดด้วยปัจจัยกี่อย่างเหตุกี่อย่างอะไรเป็นทุกขสัตว์อะไรเป็นสมุทัยสัตว์ท่านมองเห็นหมดอ่ะ นั้นท่านจึงเป็นพระอริยเจ้าเพราะท่านตรัสรู้อริยสัจแต่ถ้าเป็นรู้แบบพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็บอกว่าพระอารหันต์แบบสุขาวิปัสสกนะมีปัญญาเหมือนกับแสงหิ่งห้อยอ่ะ <c oughs> คืนเดือนมืดมีแสงหิ่งห้อยมาบินปิ๊บปิ๊บิ๊บิบอยู่ตัวงอย่างเงี้ยบอกถ้าพระสาวกแบบพภาษาดิบุตรเลยนะปัญญาของท่านเนี่ยเหมือนกับไฟกองใหญ่สักกองหนึ่งในคืนเดือนมืด ปัญญาของพอระปัจเจกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับดวงจันทร์ในวันเพ็ญสอดแสงสว่างขนาันปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับแสงแห่งดวงอาทิต ย, ยามเที่ยงวันที่ปราศจากเมฆหมอกไร้ราคีปัญญาของท่านอย่างนั้นของเราก็บอดสนิทอ่ะ